มีผมอยากทำจริงๆนะครับผมอยากทำจริงๆอยากมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมผมผมอ่อนแอถึงขนาดรา้อยความรู้สึกนี้อยู่ในใจผมมานานขนาดนี้และบางครั้งผมรู้สึกเสียใจจนกระทั่งขอโทษน้ำปึอารมณ์ของมันอ่อนไว้นี่มันจะรู้สึกน้ําตาไหลนะแล้วผมรู้สึกเสียใจมากเลยที่ที่ผมเกิดความคิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมระวังมา ก, มากๆก็คือเรื่องความโกรธเนี่ยเพราะเราต้องการบอกว่าเราจะหนีนหนีความเกลียดให้ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาเวลามีมีใครเช่นสมมติตัวอย่างนะครับมีเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งมาแล้วก็แกล้งผมในการพอมาถึงผมแล้วก็ปืนแล้วก็ขับรถตัดหน้าผมอย่างแรงเพื่ผมตกใจเนี่ยนะครับผมก็เกิดความรู้สึกเหมของเขาว่าไม่ได้โกรธเขานะแต่รู้สึกว่าต้องตกใจเพื่อรู้สึกสงสารเขาว่าเดี๋ยวเกิดเขาเขาเขาเขาเสียใจนะที่เขาทาอะไรไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับ ป้ผมควรจะตกใจสักนิดหน่อยเพื่อให้เขากิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกที่ประสบความสําสเร็จในการทําครั้งนั้นอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่ไหมครับผมก็ทําเป็นตกใจแล้วก็ทําเป็นกลัวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็มีความสามารถที่จะทําให้คนกลัวได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็แต่แต่ในขนาดหนึ่งผมก็รู้สึกที่ที่ดีนะที่ดีที่ได้ทําเช่นนั้นที่ได้ทำเช่นนั้นที่สองแล้วใช่ การที่จะให้เด็กคนนั้นรู้สึกว่าเขามีความสามารถทําให้เราจะดุ้มโดยเจตนาเราเป็นเจตนาที่ทําให้เขาได้ได้เข้าใจว่าเรามีแต่อีกอีกมุมมองหนึ่งที่ด้านงแล้วถ้าเด็กคนนี้มันไม่ได้คิดเจตนาอย่างที่เราเข้าใจว่าจะให้มันหยุดแล้วมันไปขนองเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย ไ อ, อย้ยางนี้เหมือนที่ว่าเราไปไปส่งเสริมทางอ้อมหรือว่าเหมือนกับว่าเราพยายามที่จาทำให้เขาได้ที่สุดอะไรยังไงคือคือ<ม>คือในจิตใจของผมเนี่ยนะผมก็รู้สึกรักอะ่ะผมเหมือนกับว่าเออถ้าเรามีหลานประมาณนี้จะไหมผมสงสารอะ่ะถ้าเขาจะจิตหวังเสียใจว่า <laughs> มา <laughs> แกล้งลุงันนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะนะแต่ก็มีนะที่ที่บางคนเขาไม่ถึงกับแกล้งใช่ไหมครับแต่มาเขาแม้เขา เขาหันมองเราแล้วทงท่าตกใจแล้วผมยิ้มให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วพราะการยิ้มให้ของผมทําให้เป็นการเปิดการสื่อสารที่ดีขึ้นเขามาคุยแล้วผมได้พบว่าผมมีโอกาสได้คุยกับเด็กเหล่านี้เยอะมากเลยครับไม่ไม่ที่เดียวกันนะครับเยอะมากคือหมายความว่ายิ่งเราไปทางใต้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสคูพบเยอะเลยเพราะว่าเด็กทางใต้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขี่ซิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเจอผมอถ้าก็ไม่แกล้งผมก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยนะครับหรืออะไรเนี่ยนะครับบางคนก็ลงมา พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะผมเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้คิดว่าผมคงเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายถึงที่ถึงที่ดีมากๆคือในหลายโอกาสเนี่ยนั่งคุยอะไรริมถนนเนี่ยครับนั่งคุยถนนคือหมายความว่าพอคุยกันเนี่ยแล้วผมก็พูดแห้เขาฟังแล้วเขาก็จะรู้สึกตื่นตกใจว่าโอ้ลุงเดินมาจากเชียงใหม่เลยห้ือนี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยพูดพูดเพื่อให้เขารู้ว่าเช่นบอกว่านี่รู้ไหมท่าลุงคิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่อายุเท่าคุณนี่นะลุงจะเดินรอบโลกเลย เสียใจเป็นที่สุดเลยเนี่ยอายุมันเหลือน้อยแล้วจึงเดินได้จากเชียงใหม่มาที่นี่นถ้าอายุมันเหลือมากกว่านี้เนี่ยจะเดินไปให้ทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยลองทาดูไมหมล ะ, ะอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นอะไรที่สนุกอ่ะและเด็กเหล่านี้เขารู้สึกเขาสนุกมากเลยที่ได้คุยกับผมได้คุยคือแม้ความมันได้ได้คุยอะไรแปลกๆบางคนก็ดีมากเลยนะครับชวนผมไปกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณว่าคุยกันแล้วสนุกแต่ผมก็บอกว่าเออผมก็บางคนก็ถ้าบ้านอยู่ไกลไม่ถ้าไม่ไกลผมก็แวะไปหน่อยไปคุยกับ พ่อแม่อะไรของเนี่ยนะครับ่นี้เกิดขึ้นในแถบจังหัดทางจุมพรทางอะไรเนี่ยนะครับบางทีเด็กผู้หญิงด้วยนะเด็กผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่กล้าก็จะไปพาเพื่อนเขามาอีกสค<อ>นอเงี้ยนะครับก<อ>็จะมามาถามว่าเดินมาจากไหนเป็นยังไองอไรเงี้ย น, นะครับแต่ผมก็พูดเล่าให้กงังจากที่อาจารย์มาาจารย์ได <c oughs> ้ตรวจสอบแล้วาีเป็นเินประดังรไไม่แน่ใจครับอาจารย์ท่านารยเคยเล่า ก็เนแล้วก็มาเข้าห้อง้ำแต่านก็ไม่ได้เข้าห้อง้มทท่านปัสวะเอาหน้าอาจารย์ลต้องคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่ไม่รเรื่องลู่ลาอะไรอาจารย์เพื่เล่าความรู้สึกก็จให้าการแล้วก็ความรู้สึกได้ครับแต่ผมต้องขออนุญาตผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าพระไม่ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดและผมเอาเรื่องนี้ผมไม่กล้าเลาเรื่องนี้กับที่อื่นอื่นเพะเดี๋ยวจะคนเข้าใจผิดคือผมไปที่วัดวัดหนึ่งนะครับเป็นเวลามืด ใก้มืดอะแล้วพอทางวัดอนุญาตให้ผมพักได้เนี่ยมันเป็นศาลาเป็นศาลาที่ไม่ได้มีปั้นรังโลงอะนะครับแล้วก็ระดับยกพื้นขึ้นมาก็นั่งแล้วเท้ามันยังอยู่ที่ย่อน ไ, ได้ผมพอนั่งเสร็จแล้วผมจะมีปัญหาหนึ่งก็คือมันจะยกขาไม่ขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะตึงแล้วผมอยากอาบน้ํามากเลยวันนั้นครอบมีามรู้สึกว่าถ้าได้อาบน้ําผมคงรู้สึกดีขึ้นพอสมควรเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องหากุติสักหลังหนึ่งผมพยายามสอดสองสายตาดูอยู่นะว่ากุติหลังไหนเปิดไฟบ้างผมจะได้ไปหาและจะได้ถามว่ามันมีก๊อกน้ําหรือมีตรงไหนที่ผมจะอาบได้ขณะที่ผมกาลังนั่งนวดเท้าอยู่เนี่ยนะครับก็มีพระรูปหนึ่งเดินลงมาจากกุติคิดตั้งใจว่าคงจะไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะปัสสาวะนี่แหละแล้วเดินมาทางทิศที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจไว้เลยว่าโชคดีจังเลยที่ไม่จําเป็นต้องไปไปหาท่านท่านมาหาผมประมาณเนี้นะ ตั้งใจว่าถ้าท่านเดินเข้ามาใต้ผมแนละผมก็จะลุกขึ้นสักนิดหน่อยเป็นการลงไปคุกเข่าขอกราบไหว้ท่านแล้วขออาบน้ำอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผมก็นั่งอยู่แต่ท่านก็คิดว่าท่านเห็นผมคิดว่าท่านคงเห็นนะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันมากผมนั่งทีง่แล้วก็ท่านก็อยู่ประมาณเลยต้ตนนี้ไปนนีไม่ใกลอะ่ะเห็นแต่พอพอท่านเดินมาปรากฏว่าท่านมาแล้วท่านก็ถล่มบงขึ้นมาแล้วฉี่ฉี่พอฉี่ปุ๊บผมก็เลย หมดจิตเลยที่จะไปถามท่านใช่ไม <laughs> เพราะว่าครัคือตอนแรกตั้งใจจะถามท่านแต่ถ้าคิดว่าจะไปถามท่านก็นเลยกังวลว่าถ้าเราไปถามท่านท่านคงเกิดความรู้สึกละอายใช่ไหมที่เอาไม่ได้บ้านประมาณนี้ใช่ไหมตอนนั้นท่านคงคิดว่าผมเป็นคนบ้าแบบไม่สมประกอบอะ่ะนึกถึงภาพดูว่าหน้าตาผิวพรรณสภาพผมเนี่ยนะครับหลิดตัวดีมีดีโชว์ไปถึงท่านอะ่ะแล้วนั่งอยู่ที่ศาลาตอนท่านคงไม่ต้องรับรวมระวังอะไรต่อหน้าคนบ้าใช่ไหมท่นก็นเลยยกกระบงขึ้นมาแล้วก็ฉี่ให้ผมเห็นเนี่ยนะครับ ผมก็เลยหมดจิตที่จะถามท่านเพราะมันรู้สึกว่าถ้าไปถามท่านมันก็คงเกิดเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะว่าอ๋อไม่ไม่ไมไมไมบ้าเนี่ยถ้ามาถามถ้ามาถามไม่ต้องคุยกันใช่ไหมถ้าคุยกันก็แสดงไม่บ้าถ้าไม่ไมบ้าที่ท่านทําไปท่านคงรู้สึกว่าอายประมาณผมก็เลยบอกไม่เป็นไรเราไม่ได้อาบน้ำก็อยา่าไปถามท่านยิ่งจะไปถามองค์อื่นเดี๋ยวก็มาคุยกันทีหลังบอกไม่ได้บ้านะคนนั้นเนี่ยมหาศาลอยู่มาพูดกันรู้เรื่องประมาณนี้ผมเลยต้องคําตัวนันบ้ า, บาลตลอดก็เลยจะไ ด, จะได้จะได้ไม่ต้องเป็นที่กังวลกับท่านต่อไปในนนก็็เไม่้ปร ที่เป็นอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นไม่ได้คิดตำหนิไม่ได้คิดไแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดตำหนินะครับเรับถืงว่าตั้งองนี้รัถืงว่าถ้าไม่มีคนอยู่ก็ไม่ต้องทำเสกียวัฒนมัน่ด้จ้ะทุกกฎมันคงต้องต่เรามีคนเห็นมึงประมาณนี้ประมาณนี้นะ คำจริงมันละลายไปก่อนนาะนแล้วผมมีความรู้สึกผ ม, ผ, มผมเกิดความรู้สึกอันหนึ่งตอนที่ผมเดินไปตามถนนเรียบคลอ ง, งสงขรานที่ว่า ท, ที่สุพรนณบุรีแล้วผมไม่มีน้ําดื่มน้ําดื่มคอแห้งแล้วหูเรื้อื้อมากเลยนะคือผมพอไม่ได้ดื่มนั่นอะไรหูอื้อใครพูดอะไรไม่ได้ยินเลยอะมันจะยินแต่อุออ้งอื้อแล้วทีนี้ผมมีความรู้สึกมันคือปกติถ้าเป็นถนนใหญ่ผมจะไปดื่มน้ําที่ปัม๊มน้ำมัน แต่ที่นี่พถนนเส้นนั้นมันมีปั๊มน้ามันเลยมันเป็นถนนเรียบถนนแบบถนนแบบชาวบ้านน่ะไม่มีปั๊มน้ํามันที่ให้ผมเข้าไปดื่มน้ําได้แล้วก็ไม่มีที่ไหนจะดื่มได้เลยก็ไปเจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนอยู่พอสมควรนะครับแล้วบนบนโต๊ะที่มันว่างอยู่ไม่มีคนนั่งคือทุกๆโต๊ะมันจะมีที่ใส่น้ําวางไว้สําหรับลูกค้าเขาจะได้ดื่มใช่ไหมครับแม่ค้าจะไดเอามาเฉพาะแก้วแล้วน้ําแข็ง ม, มาวางให้แล้วก็เทน้ำดื่มได้ผมก็มีความคิดว่าน้ําที่เขาวางไว้บนโต๊ะ เนี่ยนะครับ ถ, ถ้าผมเข้าไปสอบถามเขาแล้วเข า, วาเขาคงน่าจะให้ผมได้อะไรเงี้ยนะไม่ถึงกับขอแบบว่าขอเนี่ยผมก็เข้าไปแล้วก็ผมยกมือไหว้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับบอกว่าน้ําที่วางอยู่บนนี้ผมจะขอดื่มได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกได้ได้ ไ, ด ไ, ด ไ, ดไดแล้วเขากา็พยายามจะเ บ, บอกไม่ต้องเอาแก้วผมก็มีกระบอกน้ําอยู่ผมก็พยายามที่จะขอเขาบอกผมจะเทใส่กระบอกแล้วผมจะเดินไป ขณะที่ผมทําแล้วเนื่องจากว่าผมคนแก่นะแล้วมันก็จะเทมากเด็กว่าน้ําจะหกเพราะว่าปากปากกระบอกมันก็ไม่ใหญ่ผมก็พยายามบรรจงที่จะเทช้าๆเนี่ยแล้วผมไม่ได้สังเกตดูว่ารอบๆผมนี่มันเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงขณะที่ผมทําอยู่เนี่ยแม่ค้าแม่ค้าซึ่งยืนซึ่งผมยืนปรเชิญหน้าเขาหันหลังแล้วเขาก็ไปหยิบน้ําขวดน้ําขวดที่ที่เป็นขวดพลาสติกนะที่เขาแช่ไวอ้อย่างดีแล้วก็มายื่นให้ผมบอกว่าเอาน้ํานี้ดีกว่าเย็นเขาบอกอ่างนั้นนะเย็นแล้วเขก็ยื่นน้ํานั้นทั้งที่ผมยังเทอยู่ไม่จนเสร็ ผ ม, ผมก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงผมก็วางกระบอกน้ำแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็รับน้ำเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมาสํานึกรู้ก็คือคือจุดที่ผมยืนเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากลูกค้าที่เขานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่และผมพบเลยว่าผมเนี่ยผิดผมสํานึกผิดคือผมเป็นคนสํานึกผิดง่ายมากเลยตอนนั้นนะผิดชนิดทีบางเรื่องไม่น่านึกว่าผิดแต่ผมก็รู้สึกว่าผิดแต่ผมรู้สึกผมผิดมากเลยเพราะการที่ผมไปปรากฏตัวที่นั่นน่ะมันไปทําลายบรรยากาศของการกินน่ะที่แม่ค้าก็ต้องรับผิดชอบ ว่าเมื่อคนมากินอาหารอยู่ในร้านเขาเนี่ยเราไม่ควรปล่อยหมาที่เรื้อนไม่ควรปล่อยให้สิ่งที่มันอุจจาตาเข้ามาในร้านใช่ไหมครับแล้วผมผมโผล่เข้าไปนะนั้นกลิ่นตัวผมนึกถึผ้า่พคนที่มันกลิ่นเหม็นสาดคือคนบ้า ๆ, ๆใช่ไหมครับวันที่แม่ค้าไปหยดน้ําเย็นๆมายื่นให้ผมแล้วมันก็จะบอกว่าที่ไปแต่ที่แต่ผมสํานึกรู้เลยว่าพอผมรับน้ำมาแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าผมเนี่ยน่ารังเกียจเป็นที่สุดแล้วผมผิดผมไม่รู้จะไปขอโทษใครนะ ไม่รู้จะขอโทษใครเพราะบางครั้งเวลาเราผิดเนี่ยนะผมก็ต้องไปปรองกระบาดกับกับเจ้าปายถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแอ้ความรู้สึกสำนึกผิดอย่างเนี้นะครับมันเป็นความสำนึกที่เกิดขึ้นง่ายมากเลยเช่นผมไปที่เนี่ยผมไปที่อินทนนท์เนี่ยนะพอไปที่อินทนนท์เนี่ยทีนี้ก่อนที่ผมจะถึงอินทนนท์เนี่ยผมเดินไปเนี่ยผมไปพบกับเด็กหนุม่มกะเรียงคนหนึ่งเด็กหนุม่มกะเรียงคนนี้ยผมเหนื่อยผมก็หยุดคุยกับเขาเขาบอกว่าเขานี่จะขึ้นไปที่พระธาตุสององค์ที่บนยอดเอาอินทนนท์เนี่ยนะครับไปกับเขาไหม ผมมองคดีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็แล้วสุดท้ายผมก็เดินขึ้นไปก่อนแต่พอผมเดินไปสักพักเด็กหลุมคนนี้ก็รออยู่จนกระทั่งว่าผมเดินจะถึงใกล้ถึงประทาตแล้วแหละเขาก็หยุดรถรับผมแล้วเขาบอกว่าขึ้นมาขึ้นมาเพราะเขาเคยคุยกับผมอยู่ตอนนี้ผมเดินขึ้นไปแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งพอขึ้นไปนั่งรถคันที่เขาขับไปเนี่ยนะครับเข้าไปในเข้าไปในเขตเตี๋ยเดีอยู่ทางฝั่งมือที่เราขึ้นเนี่ยนะไปซ้ายมือทีนี้เขาพอผมเจ้าหน้าที่ปล่็ยรถรถเป็นรถตาอากาศนะครับผมก็ต้องกระโดดลงพอกระโดดลงปุ๊บ นายทหารหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็แต่งตัวทหารเนี่ยเขยืนอยู่ตรงประตูอ่ะเขาบอกว่าชี้ไปที่ที่ที่ขายตัว๋วใช่ไหมขายขายบัตรอ่ะ20สิบาทเขาบอกว่าไปซื้อตั๋วก่อนคือมาขับรถในกองเขาเข้าไปเลยแต่ผมต้องลงแล้วก็ผมก็กระโดดลงมาแล้วก็พอเขาบอกไปซื้อตัว๋วเขาบอกว่าไปซื้อตัว๋วผมเอ๊ะเอาอย่างไงแล้วผมบอกผมไม่มีตังค์ครับและสายตาที่เขามองผมเนี่ยนะครับ ผมโอผิดอีกแล้วาจะเป็นอย่างนี้จะคือตอนนี้ยําพูดได้มากกว่านี้ผมก็ถอยออกมาจะไม่เพอถอยออกมาไม่สนใจว่าคือคำว่าไม่มีเงินหรไม่มีตังค์นี่มันเป็นคําพูดที่หยาบคายมากนะในความรู้สึกตอนนั้นคือมันไม่ใช่แพงเลยเงิน20บาทสําหรับซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปไหว้พระเกดี2ององค์อ่ะไม่ใช่คิดองค์ละสิบาทเองเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สร้างตั้งยากตั้งเย็นอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกผิดมากเลยอยากจะเข้าไปพูดบอกว่าผมไม่มีจริงๆไม่ใช่แกล้งละมันี้แต่ก็ไม่กลา้ากลายเป็นเรื่องใหญ่ไกมัย็ ก็ยกมือไหว้เขาแล้วก็ยกมือไหว้เขาด้วยว่าขอโทษผ ม, ผมไม่เจตนาผมพูดคําหยาบคายคำหยาบคายแล้วคาว่าไม่มีเงินมันเท่ากับว่าผมปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะการที่เขามาทวงเงินคือให้ผมไปซื้อตัวมันเท่ากับผมทําผิดมากเลยในความความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยเลยนะครับเพราะนั้นตอนที่ผมออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ผม ม, มีความรู้สึกคิดในใจว่าครูเนี่ยหมาขี่เรือนเข้าไปก็ยังจะน่ากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่านี้ เพราะหมามันเป็นหมาใช่ไหมเด็กครูเป็นคนใช่ไหมแล้วเป็นคนที่เหม็นเป็นคนที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าต้องระวังให้มากต่อไปนี้จะเข้าไปที่ไหนจะเป็นยังไงนี่จะต้องจะต้องดูให้ดีไม่งั้นแล้วเราจะไปทําลายเบียดเบียนคนอื่นว่าเราออกมาเดินนี้ก็หวังที่จะทําจิดของตัวองให้โปร่งใสแล้วทําไมเราไปทําให้จิตใจคนอื่งเขาเข้าหมอนะเพราะว่าเราไปตาบดก็จะมีอารมณ์กับติประมาณ น, นี้นะครับอยู่เรื่อยๆเพราะตอ น, นที่พระท่านสลบสะบองขึ้นมา ขอโทษนะครับมีเรื่อความตัดจริงเลยก็คือผมยกมือไหว้ท่านด้วยความรู้สึกขอบพระคุณมากเลยที่ท่านท่านท่านทำให้ผมเมื่อก่อผมมีความสําเร็จในการที่สลายตัวตนได้เพราะถ้าท่านเด่ยวคิดว่าผมเป็นตัวเป็นตนเป็นคนท่ท่านผงไม่ขี่ต่อหน้าผมครับแต่การที่ท่านท่านจำเจนท่านได้ว่าเออมึงใช้ได้ครับมึงมีตัวตนแล้วกูขี่หน่อยประมาณนี้ คือมันมีหลักการที่เราเรียกว่าเปิด e c t i v e วิสซึงคือหมายถึงสายตาที่เราอนเนอมองอย่างเราพกล้องผ่านกระโหลกเราของสมองของเราที่มันมีเค่ีบ๊อบเลสเล่นนั่ <S <S <ห>นเองในเข้าใจโลกการมองแบบเปิดเ c t i v e เนี่ยคนมองเป็นใหญ่เลยีวคนมองเป็นอีกราเป็นเซนสิตของทุกอยากก่างและตีความทุกอยาก่างผมจะรู้สึกเสียใจเหมือนกันถ้าผมเป็นแม่พ้าและผมเป็นสาระจาร พึ่งมาตีใจนะและผมก็ยกน้ําให้อาจารย์แต่อาจารย์ตีความผ่านเฟรมวอลเปิลเฟิอของตัวเองไปเข้าใจแม่ค้าว่าเขากําลังไรอาจารย์ซึ่งถ้าแม่ค้าไม่ได้คิดแบบนั้นแต่อาจารย์ที่พาศราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิวที่จะเกิดทั้งสองเลยนะผมคิดว่านะการที่คนคนหนึ่งเอาน้ําให้คนคนนึงนี่ มันมีหลายเหตุผลมากเลยเหตุผลแบบที่อาจารย์พูดเป็นไปได้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่รู้แต่เท่าทีผ่ผมฟังดูเนี่ยผมก็มีอารมณ์ที่จะสงสารคนที่ต้องช่วยยากเพราะผมเป็นผู้ปกครองน้ำ ท, ที่มีคนจากน้ำเข้ามาเนี่ยสิ่งที่บอกช่วยได้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือน้ําในตอนนั้นผมก็ให้น้ำใช่ไหม ฉะนั้นการมองแบบเปอร์สปีคตโดยที่มันอยู่ในเคมเลสเ์ของเราเนี่ยแล้วเราก็มีความทุกอย่างผ่านมุมนี้มุมเดียวผมคิดว่าอาจารย์ก็บางทีอาจารย์อาจจะทิ้าตรูได้เนีเรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดผมอยากจะตอบคี่พบี่ายผมคิดว่าสลับที่เดินเข้าสลั เป็นการเดินเข้าแบบไตรคอร์ชีไม่ใช่เป็นเรื่องสังโมวิทยาความรุนเดียววิทยาและเรื่องเกี่ยวกับสังคมสงพรอมหรืออะไรก็แล้วแตทญญท่ที่อาจารย์นิคุี่พอพูดผมคิดว่าเป็นไตรคอร์ีของคนที่มีไฮลาทที่สูงกว่าถ้าเราเคยไปประเทศที่แย่กว่าเราเนี่ยเราไม่กลัวคนในประเทศนั้นครับเพราะสนันคมแบบอานานิปมเนี่ยมันมาไงไม่รู้ผมเคยไปที่ประเทศเราไปเวียดนาม แต่ต่างจากที่ผมไปที่จีนและสหรัฐอ เ, เมริากาท่านก็นเลยเพราะที่นั้นไม่มีใครเคารพคุณเขาไฮเปอรที่ถือ่าคุณแล้วคุณกลัวเขาเขาไม่กลัวคุณแต่ถ้าผมไปที่ลาวเขมรและเวียดนามผมไม่เคยเกะเกรงกลัวแก๊งต้องจรหรืออะไรทั้งสิ้นไม่กลัวความความเป็นกลางคืนของเขาด้วยไม่มี เพราะผมมีไฮลาร์ที่ผมอยู่ในสังคมที่มันมีโครงสร้างที่มันมีไฮลาร์ที่อยู่ฉะนั้นการไปตอบว่าคุณกําลังทํางานช่วยเหลือคนจนก็คุณไปกลัวเขาเหรอผมคิดว่าเขาไม่ได้พูดอีกหลายอย่างซึ่งเป็นหน้าต่างที่เขาไม่แสดงให้เราเห็นนั่นเลยมนุษย์มีอยู่สีหน้าต่างหน้าต่างนึงอยากให้คนอื่นเห็นเราอีกหน้าต่างหนึง่งคนอื่นเห็นเราเราไม่เห็นเขาหรือหน้าต่างที่เราต่างไม่เห็นกัน มันมีหลายหน้าตาในเวลาเราแสดงแล้วเ็นะดังนั้นเขาคิดว่าคำตอบอะไรผง ม, มันคงจะมีอะไรที่ซับซ้อนที่เราจะพูดอะไรแบบขาวและดำตีและชั่หรือว่ารอบนี่ถูกรอบนี่ผิดและสิ้นวายที่สาที่ผมต้องแขีล้รัคือชัดถกว่า ทุกคนจะบ้าผมได้ถ้าจะว่าเนี่ยต้องเอาไม่พักถ้าไม่ว่มันมีของ <c oughs> ดีเลอรด้วยนะครับ ท, <c oughs> ที่ว่าสิ่ที่อาจารย์กําลัง ส, ส่งเสริมให้ผู้หญิงการทาอัตตา ว, วินิบาศกรรมเนี่ยมัน <c oughs> เป็นสิน่งที่ดีดนะั้ <c oughs> คือยุยงให้ผู้หญิงที่อยู่ในโครงสร้างที่ไม่เข้เกียวแบบเนี้ยออกไปเดินแหวนจัรประมวลซึ่งเป็นอัตต ว, วิธิบาศกรรมอาจารย์อันตรายมากนะ ในสังคมที่กรอบโครงสร้างทางกฎหมายและกรอบทางวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่แบบเนี้ผู้หญิงทํานี้ไม่ได้แบบที่จ๋าพูดถูกแล้วที่ของของจ๋าไม่ใช่ที่สาธารณในปากและอ่อนนึงคือแต่ที่สวีเดนไม่ใช่ลูกศิษย์ผมที่ผมเดินไปส่งตอนเที่ยงคืนเพราะผมมีกรอบความคิดแบบประเทศไทยว่าเขาจะไม่ปลอดภัยผมเดินไปส่งเขาเมื่อคืนพอผมไปส่งเขาเสร็จ เขาเดินลงมาส่งผมไปขึ้นรถเมล์เขาบอกว่าที่นี่บริเวณอาจารย์ข้อที่แน่นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเท่าเทียมกันแล้วการที่คุณเสียดหยาดผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นคนที่เสียสักสีและน่ารังเกียดในสังคมนั้นคุณทําไม่ได้ฉะนั้นกลาคือและกางวันเขาปลอดภัยเท่ากันนะเพราะกรอบและกฎหมายของเขาเนี่ยยืนยันถึงสิทธทิความเท่าเทียมอันนี้มาหลายรบศตวรรษจนเกือบจะเป็นเจเนเรชันหนึ่งที่ไม่มีความสันนิษฐ หญิงชายต่างกันแล้วนะดังนั้นพอผมไปส่งเขาเสร็จเขาเดินลงมาส่งผมพอกคุณมาส่งผมทำ ไ, ไมอาจารย์ที่นี่สวีเดนหนูกลับเที่ยงคือทุกวันเลยไม่เห็นมีอะไรเลยปลอดภัยมากแล้วไม่เขาก็ไม่ได้มองแบบเหยียดหยามนะคือคือหมายถึงว่าคน Sweden, สวีเดนส่วนใหญ่นะเอ็ดูเคเต็นะต้องพูดอย่างนี้คนระับพวกเอ็ดูเคเต็ไม่ได้มองเราแบบเหยียดหยามนะแต่อันนี้เอ็ดูเคเต็นอย่างหนึง แน่นอนในทุกสังคมแต่เขาปลอดภัยพอสมัวรฉะนั้นจริงที่อาจารย์พยายามฝึกการให้ผู้หญิงเนี่ยไปทําในนอกกรอบที่ไม่มโครงสร้างสังคมในไม่เท่าเท่าผมคิดว่าเป็นอัราอันตรายทีิบาดเจ็บตารที่น่ากลดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ชิตวานพูดเราจงกลัวไว้ <c oughs> ทีนี้ต้องกลัวแล้วเราหาวิธีที่เหมาะกับเราที่จะทําแบบอาจาร ย, าย์สมบ ผมคิดว่าเรามีช่องทางพอสมควรที่เราจะหาวิธีอื่นนะฮะที่เราจะปลดปล่อยตัวเราเองได้เหมือนอาจารย์บอกโดยไม่ต้องทําแบบเดียวกันพรอบครอบและโครงสร้างมันต่างกันดังนั้นจะเอาจะทําในสิ่งที่มันเหมือนกันไม่ช่างนะครับจะมาอันตรายทุกอย่อาจารย์พูดนี้เหมือนในตะวันตกมีความกลัวน้อยกว่าท่านเราไม่ผมไม่ใช่หมายถึงมีความกลัวน้อยกว่าแต่มันมีไฮรากี้โดยไม่รู้ตัวนะ ถ้าอาจารย์เคยไปประเทศโลกที่สามที่มาแย่กว่าเรานะอาจารย์จะรู้สึกว่ากลางคืนกลางวันไม่อาจารย์เชื่อมไหมผมไปสมเด็จทหารยืนถือปืนพาผมไปผมไปในจังหวัดอะไรผมจําไม่ได้แต่ตว่า ม, ม, ว ม, ม, มันอยู่ใกล้นครวัดนครทองแม่อะไรที่มันต้อไป ไ, อไปนอนไปไปนอนแบบนั้นผมว่าอาจารย์ต้อไปอเราไปพร้อมกั น, นมีอาจารย์สมเปรกตด้วย ก็คืนตรงวันที่นั่นกับเราเนี่ยมาตัดกันเรารู้สึกปลอดใจ ท, ท, ทั้งที่เป็นกลางคือแล้วไฟไฟน้อยกว่บบาเมืองไทยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นเปิดเมื่อสี่ผมหรือเปล่ายัางไงคือโอเคไหมครับตอนนี้เริ่มยำได้ไหมครับคือผมผมมองว่ามันในสังคม ท, ที่ไหนที่ไหนมีความตัวเหมือนกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันนะ อาจารย์บอกผู้หญิงในเมืองเท่าหลังไม่ น, น่าตัวและคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นเลสเบี้ยนหล่งน่าตัวกว่าพวกนี้ถูกค่าอยู่ถูกยิงทิ้งเป็นเป็นกระบอกในเมกาเป็นประโยชนเพราะว่าทุกสังคมเนี่ยมันมีคมอ่งที่ไม่ยอมอเมริกันนะถ้าหากในยุโรปก็เหมือนกันเพราะว่าไม่ต่างกันพวกเกย์พวกเลสเบี้ยนนี่เมีปัญหาคือสิ่งที่ผมอยากเตบอกก็คือความกลัวของคนเนี่ยมันเกิดมาจากเราไม่ยอมรับความแตกต่างของคนอื่นใช่ไหะ มองว่าพวกเกน์นยิปต์เขาไม่ไม่เหมือนกูนะฮะมองว่าเลสเซียนยิปตเพราะว่ามึงไม่ได้เหมือนกูก็เลยในบางสังคมก็เลยถึงขั้นไปข่ามันทีนะฮะเพราะว่าทุกสังคมเนี่ยมันมีความกลัวอยู่นะฮะแล้วอย่างหนึงเรื่องเรื่องการข่มขือเนี่ยผมว่ามันมันมีสาเหตุหลายสาเหตุนะฮะผมผมไม่อยากจะวิจัยแต่ผมว่ามันมันนอกจากเรื่องความต้องการทางเพศเนี่ยมันมีเรื่องอื่นนะฮะเรื่องของโครงสร้างของผูายเนี่ยของการแทรกรากครอบหลัง ว่ามันมีตรงนี้อยู่ด้วยนะฮะแน่นันคือผมรู้สึกว่าถ้าบอกว่ามอนฝรั่งปลอดภัยกว่าเนี่ยไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะฮะแล้วก็ผมว่าทุกคนเนี่ยมีความกลัวมีความเสี่ยงพอกันนะฮะและบางบางความกลัวบางความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากระซิบเป็นเรื่องที่เราจินตนาการหรือเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเนะะจริงไม่จริงเรื่อ ง, อรรองน ยังเ<ะ>ป็นต้องพูดต่อครับยัง <c oughs> จนเกลียดเดี๋ยวรอให้เราย้ทีเดียวดีไหมครับไม่ได้ครับเดี๋ยวมาเลยครับเก็บเปิดประเด็นเป็นป้าีเยอะแยะลไม่ได้ไม่ได้จรงเพระว่ายังเกลียดก็ได้ครับจริงก็จริงจะเยครับ สิ่งที่ผมพูดนะครับผมไม่ได้พูดในลักษณะที่เป็นคอนเซ็ปชวลนอร์ลนเนี่ยคือหมายถึงตะวันตกเหนือกว่าตะวันออกหรือหรือหรื อ, รอสังคมตะวันออกอาตะวันตกมีโครงสร้างที่ดีกว่าชายอีกเท่ากันผมไม่ผมไม่พูดอย่างนี้นะครับผมพูดเป็นเซตสวีเดนอร์ลนคือหมายถึงสวีเดนนะครับที่ผมมีประสบการณ์ดังนั้นสิ่งที่พิภพพูดบอกว่าคุณพิภพไม่เชื่อว่าสังคมตะวันตก ชายหญิงมันจะเท่าเยีกันผมเห็นด้วยเหล่าทุนเลยเพราะผมไม่ได้พูดในในในลักษณะที่เป็นคอนเซ็ปต์นะผมพูดเป็นเชฟต to อ็นเดนนะครับคือหมายถึงสวีเดนโดยเฉพาะเท่าที่ผมมีประสบการณ์ดังนั้นอ่าผมจึงผมชี้เฉพาะเจอดชมไปนะเป็นพาธีคิวลาสำหรับอ่าสวีเดนคอนเซ็ปชวลนอร์เเลน หมายถึงเป็นความคิดโดยรวมแบบคิดว่าคล้ายๆกับความคิดที่เป็นทางประทัที่เป็นแนวคิดแบบนั้ น, นะแต่ i t u a ว e d Knowledge เนี่ยหมายถึงว่าชี้เฉพาะลงไปเป็นเรื่องเลือกเช่นอบอกว่าชายหญิงนะฮะมีความเสมอภาคกันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะแต่ผมบอกว่าเฉพาะสวีเดน ชายหีิมีความเข้าเทียมกันนี้เป็นาพาธที่ดีนะผมไม่ได้พูดในแนวควเว่าตะวันตกเป็นอะไรผมยกมือนานทีเด็ดข้างในนี้ก็ผมดีใจที่เห็นเียรีวันนี้มวนมเพราะว่าผมฟั <c oughs> าจายนเกียรเราริสู้นว่าคนอยู่แ้วอยากจะ ม, ะนะมุ่นในงานของเกียรติเลยแต่ประเรด็นหนึ่งที่อาจากย์สุนเกียรตพยายามตั้งประเรด็นอ ด้วยเรื่องในเรื่องของการเข้าใจในกระโวชนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายผมคิดว่าไอ้ตัวนี้สำคัญในเรื่องของมีในเรื่องของการเข้าใจโครงสร้างทางสังคมคือผมก็เชื่อว่าอาจารย์สมเกียรติไม่ได้จับสัเรนมันครอบบ้านบ้านเราแต่ว่าอาจารย์สมเกียรติพยายามที่จะบอกการที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเข้าใจในเรื่องทางความหลัก ในบริบททางวัฒนธรรมซึ่งตรงทำกับที่อาจารย์มุงวนพยายามที่จะบอกเราไว้2องสามท่านบอกว่ามันเป็นธังมะแต่อาจารย์ระงวนท่ไม่ได้อธิบายต่ออย่างเช่นบมคิดว่าเรื่องนิวรณ์กับปฏิฆาอาจารย์ต้องอธิบายด้วยหนึ่งอธิบายด้วยหนึ่งเด็ดเพราะว่าผมคิดว่าบางทีบางทีในเรื่องของอนิวรณ์เนี่ยซึ่งเวลาเราเข้าใจสัส้นๆคือเรื่องตั้น เรื่องกั้ที่จะเข้าไปสู่เรื่องของพุังงานความดีหรือว่าเครื่องกัน้นที่จะทําให้เราเข้าใจในสรรพสัตโลกชีวิตอะไรก็ตามแต่แต่เพื่อคำว่านิวรณ์ที่อาจารย์พยายามสื่อมันมากกว่า ม, มันมากกว่าที่เราเข้าใจมันไม่ใช่แค่เครื่อนั่งนะมันอาจจะหมายถึงว่ามันต้องมันต้องเข้าใจในตัวตนของคนสื่อใช่ไหมของมันนิวรณ์คือผมคิดว่าอันหนึ่งที่ ที่น่าสนใจมากทั้งทั้งทั้งที่ที่พบแล้วก็อาจารย์สุเกียรติพยายามที่จะ ย, ยกประเด็นแย้งให้เห็นผมทำงานแบบพระสงฆ์ผมก็พบว่าเวลาเวลาคนที่พูดถึงเรื่องจิตของสงฆ์เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างทางปกครองเช่นวันหนึ่งท่านอาจารย์เจติศัก ขึ้นท่านเป็นลูปศิษย์หลวพ่อท่าาท่าท่านไปเทศสนาธรรมอยู่เชิญสถานนครวานเพื่อที่จะบอกว่าคุณนักศินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการยอดด้วนในเชิงพระสงฆก็ถือวเป็นประชิดแต่เป็นนายกบริหารประเทศชาติบ้านเมืองถ้ายังยังปฏิบัติขาดศีลหรือว่าไม่มียธรรมเวลาท่านพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจในเชิงธรรมะเราเข้าใ้ ว, ว่านั่นคือปัญญา ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เปนไ ม, ไม่ใช่ศรัทธาที่ไม่ได้สัมพันยืด้วยสัญญาแต่ในเชิงโครงสร้างให้กลับมองว่าถ้อท่านไปทําไมที่นั่นอันนั้นก็คือกิจสงสงกิตสงสงก็คือว่าถ้าท่านไปที่สนามบินแล้วท่านไปเจอทุกปีที่สามจุดเนี่ยนั่นะคือกิจสงสงซึคค่คือในเชิงโครงสร้างมันมองต่างกันแต่เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดหรือว่าถูกนะ คือมันอยู่ที่การยอมรับเชิงวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันกำลัง จ, จะบอกประเด็ดนนี้เช่นวัฒนธรรมของสงฆ์วัฒนธรรมของคารวะที่ใกล้ชิดผระสงค์หรือว่าวัฒนธรรมของคารวะที่เป็นคารวะแบบพุทธแบบแบบแบบชาวบ้านจริงจิงบทสรุปที่ผมกําลังจะบอกว่าต้องเข้าใจในประถทางวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยอาจารย์ฉลาดชายระมิตานนท์นเนี่ยได้เรียนรู้จากอาจารย์ฉลาดชายมากเช่น อาจารย์ที่หลานชายบอกว่าเราไม่เวลาเราเราเห็นงานปอยทีย่หนึ่งแม่แจ่นีผมเห็นชอบบ้านเมาเหล้าสะบักเลยทีเวลาจะแห่ตัวตาเข้าวัดเนี่ยนวนี่ะเพราะว่าเขาจะได้บุญนแต่ว่าการก่อนที่จะไปเสียบุญเนี่ยมุ่นเนี่ยมเมาเหล้ากันทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือท้ายพอก็ไปถึงวัดเสร็จหลวงพ่อมานั่งหน้าโบสถ์อาจารย์สุดทัายก่อนที่จะเสียน่ยมานั่งหน้าโบสถ์ อ้าถึงเวลารับศีลับพอลับเขาก็ไม่งเงียบรล้วสีลับพอลเสร็จกลับบ้านนายบ้านนันโดยที่โดยที่คนบกชเงียบอ่ะใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นม่วนขนาดเลยเมาสะบัดเลยเวลาคนเวลาคนที่ไม่เข้าใจความหมายเชื่อว่ากาทําแบบชาวบ้านยังเงก็ก็จะไปก็จะไปเอาความรู้ที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไปครอบสวมทับเลยบอกว่าพวกนี้มันไม่รู้จักบุญได้แท้จริงใช่ไหมครับ คืออันนี้ต้องต้องเข้าใจความหมายได้เพาะเพามันพูดถึงเรื่องความความเข้าใจเกี่ยวบริบททางวัฒนที่มันสลับซับซ้อนไปด้พอนี้เนี่ยเราเป็นขาดเรื่องครับวัตถุที่นั้นคือว่ามะม่วงหล่นข้างบ้านพอมีรั้วมาตั้กเดี๋ยวเขาไปกินไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีรั้วมากันงถ้าเข้าไปโดยข่าการปีถามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการไปบอกว่าไปขโมยของนะท่านท่านที่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ย คือมันมีเส้นเส้นเส้นหนึ่งแลก็เส้ น, เ, สนเวลาเราเอาเส้นวัฒนธรรมของไทยมาวางเราก็จะเราค่อยเด็ดเดี่ยวตามนั้นอะ่ะอย่างกรณีเรื่องของสิทธิสตรีไม่ได้บอกว่าสตรีไม่มีสิทธินะแต่สตรีก็ต้องมีสิทธิ์แต่ว่าสิทธิในในเชิงวัฒนธรรมในในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยผมคิ่ามันมั น, มนไม่ใช่เป็นกรอบแต่มันเป็นเรื่องของความงดงามมันไม่ใช่แค่นิวรณไม่ใช่แค่ปฏิฆะ แต่มันคือความเข้าใจมากกว่าที่จะไปใช้แค่คว่าเครื่องกัน้นเช่นก็มนไม่เห็นมีอะไรแล้วครับอาจารย์จะสุภารตอนนี้ก็ปกติคือเมื่อมันถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยถูกที่มันเป็นไปตามตามรบบบทางวางงัฒนธรรมจากนั้นก็คิดว่าน่าจะเห้ ท, ที่บา เนอันีครับทำไมต้องไปปุ่มถือเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องไปปุ่มถือต้คือมันสามารถมีคนที่เราต้การที่จะไปเจอได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันมองบริบทอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาี่ถามว่าสังคมเนี่ยความกลัวเนี่ยผมว่ามันอยู่ในทุกมันอยู่ในสังคมทุกวัฒนธรรมทุกเทศทุกวัยทุกอาชีพแต่ความกลัวแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับพอนนี้เราบอกว่าลรัดเนี่ยทาวนี้ไม่ต้องปุ่มถืออะไร แต่คงนี้เขานานัตติี่สตีนครับเช่นว่าเขาเขาเเชื่อมั่นว่าจริงมีสเ่เปบบี่ยนปรากฏว่าความกลัวเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ครัน่าสนใจมากผมไปขึ้นรถเมย์วันหนึง่งที่สารคามพิศโศกขึ้นรถเมย์ไปเรามาเห็นคนแบบผู้ชายผูเยอะแยะหมดนะครับมันก็มีผู้หญิงแก่ด้วยมันก็ยิ้มของมาแล้วก็โอวานั่งสารมากเราก็แบบด้วยแบบวัฒนธรรมไต้เตัวว่าโอ้ต้องลุกให้นั่งเราก็ลุกขึ้นไปเขาก็ทําหน้าแบบไม่นั่งแล้วก็เดินหนีแล้วก็อ้าวนี่ผมเลยบอกนาอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่า แต่บอกให้นี่คือความกลัวแบบใหม่ครับรูปแบบใหม่ความกลัวที่จะมีะรู้สึกว่าใครที่จะมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนอ่อนแอเขาเนี่ยเป็นวัยที่ต่างกันนะครับความสา ม, มารถต่างกันตรงนี้นะครับผมผมผมคิดว่าถ้าถ้าจะพัฒนานี่ยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวมีอยู่ในทุกที่เป็นทุกสังคมทุกเพศทุกวัยแม้แต่คนรวยก็คนจนก็กลัวเนี่ยคนกลัวจนกลัวจนไม่มีรจะกินคนรวยกลับกลัวว่าจะมีคนมาถกเถียงเอาผลประโยชน์ งเงินทนองอที่เขาีรู่ว่าควที่จะโจรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในรูปแบบ อ, นน อ, อ, อย่างนี้ตอนนี้พอพอมันมีลักษณะอย่างนี้ทุกเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่จะทำได้กคือว่าความพัฒ น, นาจิตใจของเราเนี่ยให้ให้ให้เป็นจิตใจที่เป็นประพัฒสอนหรือว่าข้าถึงธรรมะถาเรียนเชิงศาสนานครับรอาจจะ เข้าใจมีสัจธรรมตรงนั้นแหละความปวดถึงจะหมดหายไปตราบใดที่เรายังไม่มีตรงนั้นไม่สำคัญหรอกว่เราเราจะเปลี่ยนที่อยู่ไปอยวัดท่าใหม่เราจะเปลี่ยนเทศได้เราจะอะไรได้ความปวดไม่ได้อยู่ครับเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบพท่านั้นเองครานี้ผมมาจับประเด็นที่ว่าทำไมอาจารย์หนุออกไปหรือว่าเหมือนพระทุกดวงทำไต้องออกไปจริงปฏิบัติในวัดก็ได้แต่ว่ากานรนักหนาผมออกไปนี่ถือว่าต้องไ ป, ไปเผชิญกับความปวดครับและเราไดปสอสู้กับความปวดเพราะตรง น, นั้นแหละคือการทำลายความความปวดให้มันหมดไปเมื่ออาจารย์ปวงหนึ่งก็ต้องเข้าไปแก้อับหนูนะปวด ตัวทำก็แล้วเข้าไปเข้าไอยู่พอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าบาทีถามมันเรียกว่าผู้หญิงจะทำยังไงในักษาสงคามปุเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะไปเดินอย่างนั้นไหมนะครับเพราะถกเถียงกันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็ต้องมีเรื่องจัดแต่ละคนนะครับผมว่าคณตอบแทนแต่ละคนไม่ได้ถ้าผู้หญิงกล้าแหนจริงเราต้ออยากทาเองก็ก็เป็นการแสดงใจของเขาแต่ถ้าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอเสนอง่ายๆนี้ครับว่าอย่างหนึ่งที่เราลองทำได้ซึ่งผม่าเอาตัวอย่างของผมเองนะสมัยผมเด็กๆนะผมเด็นผัรผี ไปไหนนี่มันเห็นผีอยตลอดเลยครับเห็นต้นไม้มืดๆเนี่ยมันจะมีมผีอ่ะแล้วก็เราก็จะไม่กล้านลยครับแต่ว่าผมว่าเอ๊แต่คนอื่นก็ไม่เห็นนะไม่ไค่อยเห็นอยู่บ่อยๆครานี้เราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเพราะไม่จริงเพไม่จริงอ่ะแต่เราก็อ่เอ๊แต่มันก็เหมือนนะตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจครับว่าเราจะเราจะลองเข้าไปดูซิว่า ม, มันใช่จริงหรือเปล่าให้มันรู้กันไปเลยพอนไหนก็ น, นั้นพอมีต้นไม้หรืออะไรเห็นแค่ผีครับเดินเข้าไปดูพอไปดูจริงอ๋อมาโครงสร้างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ใช่จริงเลย ทักท้งเราต่อไปก็เริ่มกลัวน้อยลงนะแต่กลัวอย่างนะเดินเข้าไปก็ไม่มีอีกหลังจากนั้นมันก็เลยหายกลัวไปเลยเดินกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยเห็นที่เห็นเนเหมือนผีไม่ใช่ทุกครั้งตอ น, นี้ผมว่าลองยกตัวอย่างว่าทุกคนเราไปทําได้ในชีวิตประจําวันบางทีอาจจอยากเช่นบางคนอาจจะเป็นคนไม่กล้าไปถามว่าเวลาอยากจะรู้ซื้อของอะไรในห้างเนี่ยเราไม่กล้าไปถามหรือว่าในร้านเนี่ยไม่กล้าถามว่ามีของนี่เปล่าเดินหาผู้ร้านเสียเวลามากหรือว่าขับรถหลงทางยุดถามนี้ยิ่งเราไม่กล้าครับผมเตือนทีว่าเมื่อกลัวเมื่อไหร่ชนะความ ตรงนั้นแล้วครับพอทำไปหลายที่ความปวดจะหายไปแล้วตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องไปถึงกษณะว่าอาจต้องไปเดินหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าทาได้ก็ดีนะครับเพราะว่าการที่เป่นบ ท, ที่ว่าเข้มข้นคือเปลี่ยนแหแนวอย่างชี่ธรรมดาเนี่ยมันจะถึงมีความัวชัดกว่าแต่ถ้าทาไม่ได้ก็ทาอย่างนี้ครับถึงอย่งอางก็ครัก็่อแค่นี้ครับผม <c oughs> ก็ยังสายอยากเธอเดี๋ยวๆไปจะไม่จบเลยดีแค่จะจบแค่จะจบใช่ ก็มันห่างกันผมก็เลยเลยอย่างที่หงแค่ห่างที่เที่ยวแล้วดังแล้วมันจริงไม่มีแสงว่าที่จะเปถึงตัวค ปยจะชนกบบพ่ไม้แสดงว่าเราออกนอกทาง้วก็ต้องเดินต่อเดก็เป็นคนแบพ่มไม้แล้วออกรอกเสนทางเดินอีกทำให้แล้วดินมันแห้งมันเป็นดินฝุ่ดินเหนวเพราะฉะนั้นเท้ามันเป็นต้นเหนตนกขึ้นไปเรื่อยๆเิมต้นลื่นผมก็ถอดรอเท้าแองเ้าแมันต้เสตุเอกนเดินก็ยิ่นหนากต่อโน้ตบ้างโน้ตบ้างพอแกเข้าสำล เข้าเข้านั่งสายทาผมก็อยากจะล้ารลงท้าใ้เรียบร้อย แล้วเอก็อาจจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงก็ก็เลยต้องทำางๆที่เปนที่ทีจะทองอะไรก็เรียบร้อย่หน้าอายหน้าก็ทจัดการ้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับก็ค่อยไปนผมก็เลยคิดว่าเพราว่าตัวนี้ก็ก็ก็เอ่อก็ก็เสนอเรื่อง่ความทีนี้ผมก็เลยคิดว่า เป็นตำแหน่งทางรากการอยงนี้เรารู้สึกว่ามันเพิ่มความมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาจารย์ประมวลกำลังเดินหน้าเข้าไปหาความไม่มั่นคงโอ้โหนี่มันมันรู้สึกเรารู้สึกครับครับคล่องใจมากเลยทีเดียวว่าโอ้โหเคลื่อนเราไปแบบเนี้ยแล้วมันจะยังไงนะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นห่วงคิตกังวลว่าคนที่ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปหาเจอหน้ากับความไม่มั่นคง ม, มีตัวอย่างเลยนะมันแทบจะหาตัวฉังน้อยนะโอเคมีตัวอย่างไกลๆตัวอย่างในชุมติเลนี่เพื่อนเราคนเป็นเป็นเห็นเห็นหน้านเห็นนี่ชิบดูในลูกตาก <c oughs> หรือฟังจากสารคดีอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้เราเป็นอันหนึงทำใจลําบากมากแต่รู้เลยว่ า, าการไปแน่นอนเดินทางแน่นอนแล้วก็วันนึงเนี่ยยังก็ทดสอบเดินก่อนใช่ไหมครับเจ็ดวันแรกไปแน่แจ่จากเดนแล้วเจวันแรกไปแน่แจ่ม กลับมาเสร็จตามไปด้วยไปขึ้นดอยก่อนแล้วก็ไปแมแจ่ที่ว่าแล้วก็กลับมาแล้วอาจารย์เนี่ยพร้อมแล้วที่จอะออกเดินฐานระยะไกลคืออาจารย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียนตัวเองแบบชนิดว่าวันนี้คิดได้พรุงนี้เดิมนี่ใช่อารการเรียนพอ้พองทางกายภาพราแล้วทีนี้พออาจารย์ไปแล้วไปแค่เจวันแล้วก็กลับมาแล้วเล่า เ, เรื่องผมเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ สิ่งที่เรา่เข้าใจเราเองว่าอาจารย์เนยเดินเข้าไปหาความมั่นคงตรงภาพเนึ่อาจารย์กําลังเดินเข้าไปหาความมั่นคงอีกแบบหนึ่งเป็นความมั่นคงที่ภาพของคนชั้นกลางอย่างที่ว่างจะไม่รู้จักก็เราจะต้องมีเงินติดตัวใช่ไหมครับเราจะรู้สึกมั่นคงมีปฏัมพันธค น, คนรู้จักอคือเรารู้สึกมั่นคงจากการมีอะไรที่มันเพื่อเฟือเราแต่อาจารย์เนี่ยลิกกลับว่านั้นไม่ใช่ จะเดินไปนะอาจารย์พบว่ายิ่งเข้าไปสู่ชนบทเท่าไหรนะ่คือปจาจจัยที่คนของเมืองมากเท่าไหรนะ่เขาจะมีความมั่นคงคือหนึ่งได้กินอาหารแน่นอนอย่างน้อยเขาจะถามนะเขาจะไม่ยอมให้ความแปลกหน้าเนะี่ยมันอยู่กับเขาอะเพราะว่าเขาชินกับความไม่แปลกนะแต่ในขณะที่เราอยู่ในเมืองเนะี่ยเราชินกับความแปลกหน้าเราไปไหนเรเจอแต่คนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยนะแล้วเราอยู่แวดล้อมกับคนคนแปลกหน้าเราแต่คนต่างถิ่นคนในชนบทเนีนะ่ เขาจะละลายความแปลกหน้าไปอมาจากไหนนะเนี่ยกินข้าวมาหรือยังหรือเจะมีแล้วสิสิ่งที่อาจารย์ประมวลเล่าให้ฟังาะนทำให้ผมเปลี่ยนใหม่การเดินเข้าไปหาวิสิทธิอีกอันหนึ่งที่จะจะจ ะ, จะสร้างความรู้สึกมั่นคงทางจิตวิญญาณหมายถึงว่ามันมีอยู่แน่นอนในบางแห่งบางที่เนี่ยย่อมมีความแปกแน่เช่นผมจะไม่ได้ที่ที่ที่เถือ่อนหรือที่ลังกางที่อาจารย์เข้าไปแล้วไม่ต้องไปตามตํารวจ ตำรวจบ้านมาตรวจสอบคอว่าอาจารย์ฆายาบ้าหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> ไว่าให้ให้พักกันให้พักกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปตามตรวจตำรวจหมู่บ้านมาตรวจสอบโอเคก็มีอย่างนั้นอนหยอะแต่ว่าอันนึงที่ผมเห็นเลยคืออาจารย์เลี่ยนความคิดของผไปหม่ทีับเลยว่าการเต้าก้าวเข้าไปหาสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นวุยภาพตอใชครมมัมันมันมีอันพิสูจน์ แล้วการก็เหับว่านำร่องไม่เห็นจุ้เลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยผ่อนคลายมากเลยครับในช่วงสองสามอาทิตย์แรกที่อาจารย์เดิมนี่เรารู้สึกแย่เลยรู้สึกแย่ในานะเพื่อผฝูงนะโอ้ทำไมเราไม่ทําอะไรทุกอย่างอย่างง่ายา่ายเนี่ยผ่อนคลายมากกวนน่นี้นอกจากเพียงแค่ว่าวันหนึ่งเราได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะครัผมมีอาจารย์สมเกียรติมีอะไรแค่คืนทุกคนเสร็จในบอกเบอร์โทรศัพท์สเสร็จับ เบอร์โัพทหมดเลยทางที่ก็รู้ว่าจาันไม่พกโทรศัพท์แ ต, <c oughs> แต่ว่าเบอร์โรศัพท์านั้นเอาให้จต่สมปองแล้วก็พร้อมกับว่าให้าสมปองรู้ข่าวว่าจาย์อยู่จุดไหนมีปัญหาอะไที่บอกเราทันทีเราจะได้ติดต่อคนที่เรารู้จักที่หมู่บ้านนั้น <c oughs> ตะกอนนะั้นหรืออะไรเข้าไปช่วยเหลื อ, อาจาันเปล่าเลยนะครับ วนนันแรจะถึงผมก็เอ อ, อสิบวันวันหนึ่นงผมก็นี่นผ่ามาสองวันแล้วผมรีบเขียจดหมายดีกวา่วาจดหมายไปจักไว้ที่บ้านอาจารย์เลยเหมือนแต่ว่าเออเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยอยากจะบินไปเลยนะครับจะบินเพราะว่านั่งรถก็รู้สึกไกลเราก็บินไปดีกวา่า็ไปจักรอที่บ้านอาจารย์ที่เกาะสมุยก็ได้จะรอว่าเ้ยอาจารย์มาถึงเราก็เป็นญาติคนนึงกรออาจารย์เลยนี่คิดินนาการใช่แล้พอลื้นเวลาเนี่ยมันรู้สาานนึกเลยว่าไปไม่ได<ต>้ ที่ผมส่งจดหมายไปวันเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่อาจารย์เดินทางคือไวขนาดนั้นเลยแล้ผมก็พ่มามันนั่งย้อนคิดว่าเอออะไรเนี่ยเป็นแรกันดานใจอาจารย์ก็คือวันสุดท้ายอาจารย์เดิน50 เดียวอะไปเรื่อยๆก็ติดเช้าจอดเย็นข้ามนั่งเรือพลริสเข้าไปถึงบ้านไวมากแล้วผมผมก็ตั้งใจแล้วผลบอกว่าการถึงเรียบร้อยแล้วถึงบ้านแล้วแล้วก็ท้่สโขกลับมาเนี่ยอ้าวแล้วจดหมายผมจะไปส่งที่ไหนอล้ผมก็เลยเก็บไว้แล้วก็รอจากกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็ที่ที่ตะปัที่บ้านที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกจากเพื่อ เรียนถามใาจระ์วนนี้ครับวันที่อาจารย์ผิ้จัดจัดเลยอะแล้วก็อาจารย์ไม่เปิดประตูเข้าไปหาพระคูท่านนั้นนะตัวตอนตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ต้องขอนะตอนเช้าที่วัดพระธาตทสิจังองคือพระที่ผมไปทักอยู่ด้วยนะท่านรู้ว่าผมไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อวานรู้เลยคือท่านคุยกับผมนะว่า สาราที่ก็รับอาคารตุกัเนี่ยก็มีพักอาการตุกัดไปอยู่สาองค์ทีนี้ท่านก็สัมภาษ์ผมใหญ่เลยว่าเป็นยังไงมาอย่างเงี้ก็รู้ว่าเป็นค น, นเดินทานนนนงท้ายท่านก็ก็รู้ผมไม่ได้กินข้าวท่านยังมีสารอาหาบๆอยู่ในผม <c oughs> ผมบอกคนระับแล้วผมอกอ็เห็นเลยอยากกินเลยครคบๆก็มันเป็นน้ามันเลยนี่เลผมมันลดได้ยคือหลังช่งกลับมาแล้วประมันอนแล้วเนี่ยนะทีนี้ทัดท่านก็บอกว่าุ่งนี้เช้าหกโมงจะมีเสียงระฆั วัดสุธาตุวิจิตทองเนี่ย<ม>เขาจะมีผู้บริจาคทา น, นไปไปไปถวายปัจจัยใหญ่เงินไว้ที่วัดแล้วก็จะให้คนไปปฏิบัติธรรมคนนี้นไปไปรับทานไปกินอนหาร ม, ามีมีรงมีโรงทานมีรงทานซึ่งผมก็ได้าาทานทานเมื่เอเช้าที่วัดสุธาตุวิจิตทองเนี่อาจารย์ได้ปฏิญาณ่อนหรือเปล่าว่าอาจารย์จะไม่ทาเขาวเย็นด้วยผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่ถือเรื่องเวลาผมมีความถือว่าขอให้เพียงแค่ได้ทานอาหารเพื่อเพืออย่างชี้ไม่อยู่ได้เพราะถ้าวันใน อย่าเช่าไม่ตัดใต้เขามีปัญหาเรื่องอาหารเลยนะไม่ใช่อดอาหารนะคือมีคนเสนอให้กินอาหารแล้วบางทีคนให้อาหารเราเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวตนไงเขาใช้วิธีโทรศัพท์โทรศัพท์ดามไปตามนะคือก็าเลยแบนดาวง่ายก็เลยนะครับแล้วเขาจะโทรศัพท์ไปล่วงหน้าบอกว่าทําอาหารใส่กลองให้อย่างดีหน้าอะไรเนี่ยนะแล้วถ้ามีลุงคนหนึ่งก็ออกหงอกสมุก็ดำดำที่ส่งนายเป้มาให้ออกไปให้แกเลยอย่างเงี้ยถามอ่ะ ตกใจเพราะว่ามีเด็กมายืนรออยู่ทบารทำบาตรทำบาตแล้วทำยังไงอะผมมาแล้วแล้วแล้วเป็นยังไงครับอาเขาบอกว่าเขาสั่งไว้แล้วผมก็งงว่าล้วสัง่งไว้าทาไมเขาบอกเนี่ยเขาสั่งไว้ลุงนี่แหละมีคนโทรศัพท์มาสั่งไว้แล้วก็ให้ให้สั่งร้านทำไว้ให้แล้วก็ลุงมาผมมายืนรอตั้งนานเลยครับคือมาทาผมอาจจะเดิ้ยงสวีทเวีไปนี่ <c oughs> ้สุดท so well <Hey zijn. S 2> like ้ายเก็เลย้นท่าว่าขาะที่ผมเดินไปเนี่ยที่ทางภาคใต้เนี่ยเวลาคนมาก็จะถามก็จะควนคุยแล้วพอเขารู้ปุ๊เนี่ยเขาอจะไม่จำเป็นต้องบอกผมเขาก็โทรศัพท์ไปข้างหน้าว่าสั่ที่เดินให้มี่างแยกไปถึงตเรียกทะเลไปเรื่อยๆเนีตนที่ภาคใต้นียมีปัญหาไม่ใช่หมายความว่าอีกอย่างกินนะครับต้องปฏิเสธบอกว่าผมทานอาหามาแล้วแต่ในกรณีที่ที่ที่เขาอกมาถือไม้ผมเนี่ยนะผมบอกว่าผมจะไม่ถืออาหารไปผมขอนั่งทานได้ไหย ขอได้ทีได้ทีต้องขอไปทานอาหอยู่แล้วผมก็เลยตั้นต้องนั่งทานแต่ก็มีหลายหลายจากมีบางคนนะครับผมไปรู้ภายหลังว่าพอเขาชวนผมไห้ทานอาหารเนี่ยผมไม่รับอาหารเขาเนี่ยแล้วผมก็ถามเพราะว่าที่ทานแล้ววันนี้ถ้าผมถามเขาว่าจากนี้ไปมีวัดบ้างไ้มเขาบอกนี่มีข้างหน้าเนี่ยประมาณสามสี่กิโลเมีวัดตอนนั้นสามารถจะสี่โมงกว่าๆแล้วก็ไปนอนได้เลยลูกหลานไไกลๆบอกมีวัดเดียวนี้แหละตั้งมีวัดอีกเลยเขาก็เลยรู้ว่าผมพักที่วัดนี้แน่นอน เพราะเช่นนั้นพอรุ่งเชา้าตามที่เขาเขียนจดหมายมาเล่าเนี่นะเขาตื่นนกักไงตีสี่เพื่อทําอาหารแล้วก็เตรียมอาหารไปให้ที่วัดแต่ว่าไปปรากฏวกขออกแต่วัดเสร็จแล้วก็อบอกเขาเสียใจมากที่ที่เขาอุตส่าห์เขา อ, อุตส่าห์ตื่นนกึกไงตีสี่ที่ปกติเขาไม่เคยตื่นเลยแล้วเขาก็เลยไปถึงวัดชาวพระ ท, ที่บอกที่วาาัดบอกว่าเขาไปแล้วกขามัหลังที่นี่แหล้เมื่อคืน นี่คือนีสภาพการของการเรื่องอาหารรับทา น, านตาแต่ผมก็ถ้าอิ่มแ้วทานแล้วก็ขอบอกว่าตำรวจก็ทานแล้ววันนี้นลแต่แต่จะไม่ได้กําหนดตัวเองว่าห้ามขอใช่ไหมผมไม่ขอผมไม่ขอผมกําหนดว่าไม่ขอไม่ขอถ้ารักษาว่ากินแล้วหรือยังก็ตอบตามความเป็นจริงว่ากินแล้วหรือยังไม่ได้กินแต่จะไม่บอกว่าผมหิวมากผมขอานอาหารเทในข้อปฏิบัติที่ผมกําหนดไว้เป็นข้อข้อเนี่ยนะครับข้อหนึ่งในหลายหลายข้อก็คือไม่สําแดงความ ความที่เราวางความแย่เราเนี่ยให้ให้คนอื่นรู้เพื่อเป็นเงื่อนไขปิดการบังคับให้เขาต้องสมเพศเป็นธนาบ้าะ น, นี้ก็เป็นหลึกในการขอเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้บ้านผมต้องพยายามทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อแม่เขาเกิดควารู้สึกสุขหลังเวทนี่นะครับผมราตอนที่ผมกลับไปเยี่ยมเขาอีกครั้งนึงเลยนะครับเป็นแม่ค้าทิ้งสาย้วยปิ้นแล้วแม่ค้าคนนี้นะครับที่ผมไม่ได้มีเจตนาขอแต่ว่ามันเป็นูบ้านที่ผมต้องถาวมว่าผมจะต้องไป จะไป่บ้านเนี่ยที่หมู่บ้านสวนหลวงผมจะไปสวนหลวงได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเออเขาก็นั่งเขียงกันใหญ่เลยคน้อบอกไปนนทีไปทางน้งนนก็กงเดินไมทางรถใช่ไหสุดท้ายผมก็ได้ก๋เทางไหนก็ได้ทีเดินไปและแม่ค้าก๋เที่ขายเนี่ยเขาาน้ให้ผมกินผมก็กินน้าแล้วเขาก็เอาเื่องปิ้งให้ผมสามลูกนะครับามลูกเคร่องปิ้งที่เขาปิ้งนะว่าใส่ถุงให้นะครั บ, นนรบผมก็ยกมือไหว้เขาไปาาไปตอนผมั่ไปอีกทีนึงเนี่ยนะครับ บอกว่ากลวยปิ้งของเขาสามลูกเนี่ยช่วยต่อชีวิตของมืเดินถบ้านวหลวงต้องกินลูกก่อนถึงบ้านสวหลวงพอไปถึงบ้านวหลวงแล้วนะครับผก็กินเมื่อเย็นหลูกแล้วรุ่งเช้าผมก็ได้กินหนึ่งลูกลูกหมือกล้วยน่ลูกนะผมเดินที่นองเทับทัได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็มารู้ตอนหลังว่าผมไม่ได้กินอะไรเลยบอกโทําไมไม่บอกถ้าบอกก็จะถามหาไม่กินขกไผมไม่มบอกผมาบอนี่เียใจมากเลยก็มาเสียใจย้อนหลังผมเลยนะครับ ผมน่าจะบอกเขาว่ายังไม่ได้ผมบอกเขาพี่ไม่ถามผมเขาบอกเขาต้องถามหือก็ผมก็ต้องถามอะไรกันบ้างเขบอกต้องมีหลักผมว่าถ้าไม่ถามผมก็ไม่บอกทุกอย่างถ้าก็ไม่ถามผมจะไม่บอกว่าผมเป็นใครมาจากไหนถ้าก็ถามผมจะบอกแล้วก็จะไม่ไม่บอกข้อมูลสนแล้วบางคนถามเรื่องการแต่งงานทำอะไรผมบอกผมเป็นครูเขาไปถามในโลกผมเป็นครูจะไม่ถามว่าสอนที่ไหนแต่บางคนก็ถามแต่ว่าสอนที่โรงเรียนไหนผมก็บอกว่าสอนที่มาเลยเชียงใหม่อยู่ในเมืองไหมหรืออยู่ใน ที่ทา้มหรือว่าเรมหวาพอะไรมาี้รือก่าเอะ่ไหโอ้หนี่เอาเลยจังหวัดนังอยู่บ้านนอกมต้องเลื่อยแล้วบางคนก็จะ่าครูเพราะรู้ว่าผมเป็นครูอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตามหมู่บ้านเนี่ยบางทีไม่ใช่คน้างคนนะครับมากันเป็นสิบเลยมามาร้อมนรัเพราะนั้นกรณีที่เรื่องขอเนี่ไม่ขอ เพราะผมตั้งใจว่าถ้าเราไปขอเขาถระบังคับเขาว่าเขาจะ้เราแต่ทั้งที่ไม่ขอเนี่ยนะครับผมเข้าไปในหมู่บ้านน่ที่อยู่แม่น้ำปิงเลยนะเป็นในเขตตะปตาผมไม่นั่งอยู่ริมสระริมแม่น้าปิงก็ไม่ได้เป็นบ้านคนมันมีสระริมแม่น้านั่งดูสายน้ำได้ก็นั่งมานั่งสะพัดผมเาคนแต่งหน้ามานั่งเขาก็มาทำท่ากันเฉยเลยเราท่ากันเยเลยราก็จะนั่งประมาณสักี่โมงกว่าประมาณนี้ ขอก็รู้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยทังทั้งวันเนี่ยมีแม่คนหนึ่งนะครับอกังวันทั้งวันังไมไปนายร้อยอแก่กไปหายไะพัดกได้กล้วยข้าวกนข้าวแ้วนอนมาหนดอนแล้วแต่ยังไม่มีกลับเอได้ข้าวมาได้ข้าวมาแกเป็นขอข้าวบานนง้อดหน่อยรอดหน่อยจะต้องไปตะพัดมได้ข้าวตามเดิมไหมครับแต่น้าเกินกระุ เอเชีย เห็นแล้วเดินไปเห็นแล้วแ้วแอกมาคนีแกขวัญแกขวัญบอกพ่อแกตาแกนานแล้วมาบอกว่ามึงเนี่ยดูให้ดีวันนี้มึงจะได้่แอนีก่อกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แสงหน้าขไปรอ่นันอรอเลยคือบางทีเราก็รู้สึกถามนะแต่มันเป็นเป็นอะไรที่เป็นเป็นแบบ ที่เราเรียนรู้ได้ดีมากหรืออย่างกรณีอาจารย์พูดเมื่กี้ผมเข้าใจนะว่าใช่เขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นเซแต่มันเป็นความรู้สึกของผมไงผมรู้สึกว่าเราจะต้องสังกวนระวังเพราะเมื่อวันผมจะเสลอเรือมากเลยเช่นผมไปนอนผมไม่สนใจผมคิดว่าผมไม่กลัวเพราะผมนออยู่ศาลาหมู่บ้านแต่ความจริงไม่ใช่ผมกลัวสัญหาเป็นชาวบ้านหมู่บ้านชาวหมบ้านเพรานอนไม่หลับตกกลัวเลที่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมานอนอยู่ในศาลาหมู่บ้านซึ่งผมจะไปแจ้งเขาแล้วก็จริงแต่เขากังวลเน่ยว่าคนคนนี้เป็นใคร นอนอยู่ในสาธารณะผมจิรู้แม่คุณพ่อเราเราความจัดความตัวในใจเราแต่เราก็ความตัวที่ไปใส่ในใจคนอื่นทุกไม่ควเลยไม่ถูกเลยผมไปนอนที่บ้านของพ่อคนหนึ่งแ่บอกว่าแกอยู่คนเดียวผมถามก่อนว่ามีสมาชิกกี่คนใช่ไหเพื่อที่ว่าสมาชิกคนอื่นเขาจะได้ไม่เป็นตุกขกับผมผู้ชายแกอนุญาตตามมีพรรยาไม่ได้แลวเขไปเถียงไปทาเราะกันทีหลังผมก็เป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาแอีกอ้างว่าแกเป็นคนเดียวอยู่ที่บ้านหลังนี้ชี้ดูเรือบ้านเงินอยู่ตรงนี้ผมก็ไปนอนสั่ทุ่มหรือสามทุ่มกว่าเนี้ยตรงโทรศัพท์ดังขึ้น แล้วแกลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเนี่ยพ่อคุยกับเขาอยู่นี่ไม่น่าไม่น่ากผมรู้เอาอีกแล้วคุณเขาอยู่คนเดียวจริงแต่ก็มีลูกหานอน่ยแล้วพอเขาลุกข่าวโทรศัพท์มามาสักถามามาสอบสวนว่าพอแกวางหูโทรศัพท์แล้วถาเป็นใครก็ตอบก็รู้ก็รู้ว่าเขารู้ว่าคนณมานอนด้วยเขาเลยจะห่วงเพว่าอย่างงั้น ยังแค่นับสมาชิกมีคนเดียวก็ยังมีสมาชิกนอกบ้าเยอะแยะมากมาเพราะเป็นวลาเราจะทาอะไรเป็นยังไงไม่ว่าเขาเลยกังวลมากเลยบางครั้งผมก็ตีความผิดที่อาจารย์ว่าคันี้ผมเจอกรณีที่การเก็บตัวนทีาที่เลกี่ยเ้าไนจยางขายขายก้วยแขกขายลูกชิ้นปิ้ง ไ, ได้สักก็คือามากกว่าหลายกิโลนะฮะกิโลก็ประมาณนั้นรวมๆมอเตอร์ไซค์นะครับขับซิ่งตามผมเลย <c oughs> เป็นเด็กผู้ชายนหนุ่มขับตามผมไปนะครับพ <c oughs> อไปเห็นผมขึ้นจอดหน้าผู้ผมไม่พอใจ เท่าน้ําก็ไม่เอาไปแล้วก็ไม่เอาไปเนี่ยเอาเงินให้กันดีกว่าเพประมาณนั้นก็ผมไม่ได้ขุดเงินไงผมคูดแล้วไม่ถืออ่านไป่ถึงไม่เอาไปแขกะไปแกะของเขาไปทั้งหมดแล้วผมบอกว่าไม่ครับไม่ครับผมไม่เอาเงินผมไม่เอาเงกถ้าเอาที่ผมเอามาแล้วก็ไม่จะตังคผมหน่อไหรัเอาละเอาไปคืนครับสิครับเพราะคืนถุงนี้ไม่รู้ใครมาเอาให้มา